เพราะปีติเนี่ยนะ <S <S เป็นไปกับปีติที่เกิดขึ้ น, นเป็นไปกับยานนะเป็นไปกับปัญญามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถึงนีก้กำกับดูอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะได้ข่าวว่าคนไปดูดนตรีกลับมาปลื้มใจนานๆก็มีจริง ๆ, ๆนะนะอัน น, น, น, นั้นก็มีนะเออต้องต้องต้องแยกให้ออกไม่เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมเพราะสภาพใจต่างกันเอ่าฉะนั้นยานปัญญาจึงต้องมาทํากิจและ การเพิ่มใจนั้นนะท่านถึงกำกับไว้เลยในชั้นคำสอนหลายๆแห่งแต่ใช้คำว่าต้องเป็นไปกัญาณนะญาณนัไหนะก็คือสัมมาทิฏฐานนั้ต้องเป็นตัวประทีปส่องสว่างไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมพระท่านเห็นกรรมท่านเห็นผลของกรรมท่านเห็นว่าพระศาสดาคุ้นเคยกับท่านใช่ไหมการที่จะได้เป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับพระศาสดาเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยแล้วท่านรู้เนี่ยไม่ปลดท่านถูกบันทึกแน่ แล้วจะบันเทิงจริงๆด้วยม嘛เราก็ได้มารู้ประวัติท่ธนาเรายังตื่นเต้นเลยขนาดสองพันขนาดสองพันกว่าปีเรื่องนี้มาเล่าแต่ก่อนหน้านั้นพุทธเจ้าองค์ก่อนด้วยนะโอ้ยังตื่นเต้นบันนั้นใช่ไหมใช่ไหมองค์ต่อไปอาจจะเอาเรื่องนี้สืบทอดต่อไปก็ได้ใช่ไหมไม่อยากมีประวัติอย่างนั้นบ้างหรือใช่ไหมหน่าตื่นเต้นนะใช่ไหม เจ้าตัวอาจจะประิญนิพพานไปแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบใช่ไหมประิญนิพพานไปแล้วอย่างเนี้แต่ยังมีประวัติมาเล่าสู่กันฟังและเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องราวต่างๆแต่บางเรื่องอะนะแต่บางเรื่องต่างๆท่านก็ป้องกันใช่ไหมคนมีปัญญาเหมือนอะไรนะถ้าเล่าตรงนี้ก็นึกถึงทำบทอยู่เรื่อ ง, นงหนึ่งเมื่อวานยังปลารบอยู่เลยว่าพระท่านพระหมหากรสบใช่ไหมมีมีท่านหนึ่งใช้ข้าวตอกใช่ไหมที่ทํามือเดียวเองถวายพระมหากรสบที่ไปเกิดเป็นเทวดาเทพธิดา โอ้โหวิมานลุ่งเรืองเลยป่านนั้นใช่ไหมพอคิดอย่างนี้แบบเสร็จเสร็จก็หือบนกับการประกอบกับพระเทระยังมากมายวันนี้อย่าง ก, กันนั้นเลยขอไปอุปถากท่านหน่อยเ <c oughs> ข้าไปอุปถากแล้วท่านก็อยู่ในป่าใช่ไหมท่านก็อยู่ในป่างั้นท่านก็คิดโอตายแล้วเนี่ยวิบัติแล้วเนี่ยเนื้อต่อไปพระธรรมกรถึอยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวแลยยุ่งเลยใช่ไหมเนี่ ย, ยเป็นอุทาหรณ์ไม่ดีเลยเนี่ยว่าพระมหาการสอบอยู่ในป่ามีเทพพิดาเป็นผู้หญิงมาอ้วนั่งอุปถากใช่ไหมท่านดีดนิ้วแล้ว เดือนิ้วไล่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ต้องป้องกันไม่ท่านไม่ใช่ท่านหวงบุญนะแต่เพียงว่าเออมันไม่ควรไม่ควรมันจะเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องเสื่มเสียใช่ไหมแล้วอย่าโอ้โหถ้าไปพูดจะยุ่งเลยจะมาไปยุ่งแล้วก็มันจะต้องมีบันทึกใช่ไหมบอกว่าเอว่าเมสุตังขึ้นมาก็ยุ่งเลยแ้วขึ้นยกขึ้นสูตัวสมสังกายนายุ่งเลยนะเรื่องเยี้ยจะมาพระมหากระสบเป็นผู้ที่แข็งครัดมากเล ไ, ไม่ได้เลย สมัยหนึ่งขึ้นมาพระมหากษัตริยอย่างเงี้ไม่ได้ท่านท่านรู้อดีตรู้อนาคตไงใช่ไหมท่านถึงป้องกันอดีตอนาคตค่อนข้างค่อน ข, ข้างชัดเจนมากอย่างงี้เป็นต้นอย่างนี้ก็คือว่านี่ยต่อมาก็คือให้อะไรเนี่ยให้ให้ยานพานะเนี่ยนะจะให้สําเร็จอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมยานนะมีอะไรให้ยานยานนานี่คือร่มกับรองเท้าเป็นต้นเลี่ยนะหรือตลอดถึงให้ความสะดวกในยวดยานพานะทั้งหลายอลไรเนี่ยอันนี้เป็นไปเพื่อ อ, อิทธิที่นะ อิทธิคืออะไรวิปัสสนาญาณก็เป็นญาณนะนนเนี่ยวิปัสสนาญาณ น, นไหมอิทธิวิธิมโนโมยิธิเทียประจักขู่ทิปโสตะปุเพนิวาสานุสติญาณจูตูปาตยานอาศวะขยญาณเห็นไหมแล้วอ น, นิพานเห็นไหมการเมื่อเช้ามาสละไปสามคันเลยล่ม <laughs> มีคนเอาพาถวายามาโม้มีพระมะหาปฏิโอชื่นใจเอามาก็แหมได้แล้วเอ๊ะไม่รู้เป็นยังไงเพราะนั่งรถมารถติดเป็นแถวเลยเ <c oughs> นื่องในใจเจตนาทานไม่แข็งเลยสงสัยถ้าสงสัยถ้าถ้าไม่สละยานไม่สละลมน่าจะน่าจะมาฉันข้าวไม่ทันเลยจริงจไม่ไม่ใช่ก็คือว่าเนี่ยกรณีในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่า จะเป็นไปเพื่อญาณนะทั้งหลายเลยอันนี้มองเห็นใช่ไหมเห็นเหตุผลแล้วประการต่อมาก็คือการให้ที่นอนใครเคยให้ที่นอนเป็นทานนี่ยังโอ้ให้เยอะเลยใช่ไหม น, น่ะจะให้สําเร็จตถาคตาสายยาสายยาคือนอนแบบพระตถาคตนอนแบบพระตถาคตการนอนแบบพระตถาคตก็คือท่านโดยเฉพาะนอนครั้งสุดท้ายก็คือนอนแล้วไม่ลุกใช่ไหมนอนแล้วไม่ลุกนี่เป็นปัจจัยแก่การที่จะได้นอนลักษณะปรารถนาเนะียนอนแบบนั้นน่ะนอนแล้วไม่ต้องลุกขึ้นมา มาทำกิจอีกนะเนี่ยลุกมาแล้วมันเหนื่อยยองเหนื่อยมากมากสังสารวัตนี่เป็นความเหนื่อยเป็นความเจ็บปวดเป็นความทรมานมากนะทนการลุกะ <c oughs> โดยเฉพาะบางภพเรายกศรีรษะไม่พ้นจากอบายสี่โอ้โหโดนโคกโดนฟันเยอะมั้ยเจ็บปวดมากทํำยังไงเราจะยกศรีรษะออกจากอบายยาพรมทั้งสี่ให้ได้ ถ้ายกศรีรษะออกจากอบายภูมิสีไม่ได้เราจะโดนหอกอีกหลายร้อยหลายล้านเล่มทิ่มแทงวันแล้วไม่เท่าไม่รู้เท่าไหรโดนไฟเผาตลอดเวลาใช่ไหมไม่สงสารศรีรษะของตอนเองจะต้องโดนเผาโดนทิ่มโดนแทงบางคราไปเกิดเป็นสัตว์ดิบฉ า, านเนะต้องโดนประตักวันหนึ่งไม่รู้กี่เล่มนะีแทงแทงอยู่เรแล้ววันก่อนนั่งรดไปเนี่ยที่นครสวรรค์ไปงานศพพระเทระ โอ้โหเขาบรรทุกหมูสองชั้นเลยรถคันหนึ่งยัดกันแออัดโโหสังสารวัตรมันไพมันน่ากลัวแบบนั้นนะนทำไมม่น่นากลัวแบบนั้นนะเห็นไหมว่าไม่สามารถจะเงยหรือยกหัวของตอนเองออกจากอบายทั้งสี่ได้เนี่ยมันเจ็บปวดเจ็บปวดมากๆเลยมาพบนี้แล้วมาเกิดอยู่ในระหว่างการตรัสรู้ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ยังดำรงอยู่ซึ่งเราก็รู้กันอยู่เนี่ย พระธาตุยังไม่ปรินิพานเนี่ยพุทธิยังยังดำรงอยู่ในฐานะแห่งการกล่าวพระธรรมได้อยู่พระธรรมของพระเจ้าเป็นไปอยู่โอกาสเช่นนี้เป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดนะซึ่งโอกาสเช่นนี้หายากที่สุดหายากที่สุดนานๆสัตว์ทั้งหลายจะได้ขณะจะได้โอกาสเช่นนี้ท่านใช้คำว่าในชั้นคำสอนก็ตัวเจ้าก็ยังมัวประมาทอยู่วตัวเจ้าก็ยังมัวประมาทอยู่ไม่เร่งระดมความเพียร แล้วจกไปร ะ, ะดมเมื่อไหล่ยเล่าท่านใช้คําำแล้วจะไประดมจะเล่งความเพียรได้เมื่อไหล่แล้วก็ขณะนี้ได้โอกาสขณะนี้ยังไม่ระดมความเพียรแล้วท่านจะมาเล่งจะระดมเมื่อไหลายเล่าท่านใช้คำํำก็เป็นไปลองไปนั่งคิดว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วแล้วยังเคยคุยกับท่านหมามนาจบอกว่าโอ้โหสมัยเมื่ออายุประมาณสักสามสิบกว่าปีเหมือนท่าน ส6 3 7ิบหกสามสิบ็ดตอนนั้นเห็นเอเอกอกอนไม่ถึงสามสประมาณสักสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามตอนช่วงปัญญาเนี่ยตอนช่วงนั้นยังวิ่งหลงทิศหลงทางวันนี้นะมีพระไปหารูบหนึ่งท่านก็นเล่ามีพระเดลารูปหนึ่งไปอยู่ในสำนักปฏิบัติอยู่ปฏิบัติเจ็ดปีแปดปีเอาจริงเอาจังเลยเนี่ยสำนักที่ถือว่าใครๆก็คิดว่าเหตุผลดีที่สุดนเนี่ยนอเจ็ดปี ตอนนี้เวลาท่านออกมาท่านแนวท่านใช้คําบอกว่าเออเป็นแนวทางที่ที่เป็นกับดักเป็นกับดักที่ซับซ้อนที่สุดเป็นกับดักที่ซับซ้อนที่สุดแล้วขนาดคนศึกษาพระธรรมขนาดนั้นยังต้องไปหยุดและติดอยู่เจ็ดปีกว่าจะรู้ว่ามันมันไม่ใช่เดยแล้วจะทํำยังไงอย่างนี้เป็นต้นแล้วอย่างเราที่ที่ไม่หลายๆคนได้ส่วนใหญ่มะมา ตรงนี้เห็นไหมเป็นกับดักแนวทางการปฏิบัติที่ที่นั่นเป็นกับดักที่ซับซ้อนที่สุดฟังแล้วมาสะดุ้งเลยเนี่ยได้ยินคำเป็นกับดักที่ซับซ้อนที่สุดคือไปติดอยู่ไปติดอยู่กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่ต้องเดินนมตรงนี้ก็คือเมื่อให้ที่นอนดังกล่าวแล้วจะได้นอนแบบพระตถาคตให้ที่พักให้สําเร็จความเป็นศาสนาหมายความว่าที่พักให้เป็นทานแล้วก็ทําเยอะใช่ไหมถ้าคนสมัยโบราณเนี่ยก็จะทําที่พักเป็นสลาพักร้อนเนี่ย ในระหว่างทางทั้งหลายก็จะมีน้ําตั้งไว้ก็จะมีสลาพักเป็นในระหว่างทางระหว่างทางเอามาเด็กๆสมัยอยู่บ้านนอกก็จะมีเต็มไปหมดเลยแต่เนี้ยเวลาเดินตามทางไปน้าที่ไหนก็จะเห็นสลาเก่าๆเป็นที่พักอยู่แต่ปัจจุบันก็มีที่พักเหมือนกันแต่เขาจะมีป้ายสสอเขียนก็ไว้ก <c oughs> <c oughs> ็ให้ที่พักเหมือนกันกนดี ใ, <c oughs> <c oughs> ใส่เบอร์เขาด้วยเนี่เหมื่ไปเลยแต่เนี้ยนะฮะนี่ที่พักอันนี้ก็ได้นะได้ที่พักแต่เขาจะรู้เหตุรู้ผลอย่างเราคือต่อไปจะได้สาธารณะนะ ให้ความเป็นสาระพุทธิย่าเราก็จะได้สารณะที่ถูกต้องนั่นเองให้ปฏิบัตก็เพื่อให้ได้ปัญญาจากสูจะจะจะได้ปัญจะจากขู่ไม่ใช่ปัญญาจากสูทั้งห้าเนี่ยนะมีจากมีจากสูห้ามีอะไรบ้างะฮะสมันตาจากสูเอาก่อนเลยเหรอเราอะไรอีกต่อฮะไม่เอามังสาจากสูก่อนหรือเออมังสาจากสูตาเนื้อเนี่ยนะถ้าเป็นพุทธเจ้าจะมองได้16กกิโลเมตรด้วยตาเนื้อ นะกลางวันกลางคืนมองทะลุทะลวงได้เรามองได้กี่กิโลยอมพิชยาตอนนี้มองได้เหลือกี่กิโลเหลือกี่กิโลดิมามองก็งไม่ค่อยไกลเลยมองแย่แล้วใช่ไหมเนี่ยมังสาจากสู่แล้วก็มีใช่ไหมแต่ไม่เท่าวุฒิเจ้าต่อไปก็ให้ปฏิบัตนะนะถามว่าให้การเจริญกุศลเนี่ยเป็นทิฏฐาธรรมเวทินิยกรรมได้ไหมได้ไม่ได้งั้นก็ประคองด้วยทิฏฐาธรรมเวทินยกรรมกันก่อนนะก็เจริญกุศลนี้ถูกต้องตามอัตภาพของตนเองที่จะทํำไนะทั้ง ทนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าแล้วก็เป็นอะไรอีกมังสาจากสูแล้วก็อะไรอีกธรรมมาจากสูแล้วก็สมนตาจากสูปัญญาจากสูพุทธะพุทธะจากสูเนี่ยนะอันนั้นก็ในรายละเอียดแต่มาก็จะจาวงธรรมไม่ค่อยได้นี่จากสูห้าเนี่ยนะตรงนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าให้ให้ปฏิบบให้ปฏิบบเนะี่ยให้ปฏิบบเนะี่ยให้รูปให้สีเป็นฐานเพื่อให้สําเร็จนะนะมีรัศมีออกวาหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะ ถามว่าพระบรมศาสตาเวลาท่านบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเหล่านี้การให้สีให้รูปเป็นทานเนี่ยนะกรณีต่างๆเหล่านี้เป้าหมายของท่านก็คือเป็นปัจจัยแก่การที่จะทําให้สัตว์นั้นได้เจริญพุทธกุลนะพระเจ้านั้นต้องประด hm at ับไปด้วยความงามทั้งหมดที่สามารถที่จะเป็นอารามนาปัจจัยแก่ศรัทธาของสัตว์ทั้งหลายได้พระเจ้าต้องวางแผนไว้อย่างมากมายในกรณีที่จะเป็นปัจจัยแก่การเกื้อหนุนศรัทธาของสัตว์ทั้งหลายเพื่อเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีศรัทธาต่อ คำว่าสัมมาสัมพุทธะสิ่งเหล่านี้เป็นสัมมาสัมพุทธะทั้งนั้นนะนั่ไม่ว่าจะเป็นพระวรากายที่มีรัศมีแผ่ซ่านมาหนึ่งวาเป็นต้นเหล่าเนี้ยในขณะที่พระพุทธเจ้านั้นเสด็จพุทธดําเนินให้อุปการชีวกเห็นนะนั้นนะ่ะเป็นการประกอบรัศมีให้อุปการชีวกได้เห็นนะเพื่อจะได้อัธยาศัยแก่การที่รู้ว่านี่คือพระอนันดชินนะผู้ชนะกิเลสนะผู้ไม่แพ้เนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ไปหาปัญญวัคคีทั้งห้าไหม ถ้าให้ไปอย่างคนธรรมดาเนี่ก็จะตื่นเต้นเลยไหมก็ยอมสยอมวารวัตรไปที่ไหนไม่เห็นมีใครตามมาสักคนเลยใช่ไหมใช่ไหมนะนี่เห็นชัดเลยเพราะไม่มีอย่างนี้จริงๆว่าไม่เป็นที่ตั้งของศรทัทธาแล้วเวลาให้เสียงเป็นทานจะประดุดด้วยมีเสียงประดุดดังเสียงพร ม, พรมเสียงพรมก็คือมีความสลัดสลวยแปประการเป็นต้นมีเสียงนุ่มเสียงกังวานเป็นต้นตรงนี้ก็คือเนี่ยอย่างพวกเราให้เสียงเป็นทานทําไงดี จริงจริงในชั้นของคําสอนเขาบอกรายละเอียดเยอะมากการให้เสียงเป็นทานมีกองมีอะไรต่างๆเป็นต้นนะถ้ า, ามาทําไงรู้ไหมอามาก็เปิดนะพุทธทางสะ ร, ระนังก็ฉามีบูชาพุทธเจ้าทุกวันเลย <c oughs> ใช่ไหมอามาน้อมให้เสียงเป็นทานเนะี่ยว่ า, ามารู้เหตุผลไงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าบางทีอามาไม่อยู่อามาก็เปิดบูชาเขาไว้บูชาเขาไว้ก็อามาจะบูชาด้วยเสียงเป็นทานขึ้นรถก็เปิดได้นี่ก็บูชาใช่ไหมทางนี้ก็น้อมบูชาได้เลยใช่ไหม น้อมูชามาตื่นตอนเช้าเวลาจะไปบินตาบากก็เปิดทิ้งก็ไว้เนอะแล้วก็เียไปบินตบากกลับมายังได้ยินเสียงอยู่เลยหนึ่งชั่วโมงนี่เสียงแล้วก็ฟังเสียงเห็นเสียงเนี่ยเสียงเพลงบ้างจากเนี่ยเพลงธรรมานี่แหละนะอริยสัจสี่บ้างอะไรเดิมากจะชอบฟังก็จะเปิดบ่อยใช่ไหมหรือว่าเพลงเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อมงคละสูตรบ้างอะไรก็เปิดเรื่อบางทีก็ธรรมะเปิดทิ้งก็ไว้เลยอยู่นะ่ยเสียงบรนทานี่มูชา ทานการบูชาก็า ค, คือบูชาเนี่ยอ ย, าย่างวัดปางบ่อยไหมพอ เ, เปิดเสร็จก็นอนหลับไม่ใช่อย่างนั้นนะนั่นเปิดบังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าให้รถเป็นทานก็เพื่อเป็นที่รักของโลกทั้งปวงให้โัวจะพระเป็นทานก็เพื่อความเป็นความบริบูรณ์อย่งพุทธสุขกุมารชาติความละเอียดอ่อนความเป็นพระเจ้าเพศสัจฐานเมื่อยมให้สักครู่นี้ก็คือเปลี่ยนปัจจัยเพื่อไม่แก่ไม่ตายนี่นะ ให้ความเป็นไทยให้ความเป็นธาตกับเปลืองศาสตร์ทั้งหลายเป็นทาตของกิเลสเป็นต้นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ก็คือความเป็นพระเจ้าทั้งหลายเหล่านี้นี่คือข้อปฏิบัติในการให้นะในรายละเอียดมีเยอะทีนี้จะเข้าในรายละเอียดคําสอนแล้ในชั้นของรายละเอียดในชั้นของคําสอนเนี่ยนะท่านกล่าวไว้ในจูเลกาสาดกเนี่ยนะก็คือมีบทว่าอภิธเรถากะ ร, รยานีปาปาจิตตังนิวารเยทันทันหิกกระโละ กะโตเด็ดบางสัพท์บางแห่งท่านใช้กระโตนะแต่ว่าถ้าสับเดิมยิงก็กระโตปุญญังปาปสมิงรามตีมโนในคุธการนิกายธรรมบทตรงนี้ก็คือว่าท่านพูดถึงในเรื่องของที่จริงในการกําจัดมัชชริยะตัวเนี้ยเนี่ยในในชั้นคําสอนตรงเนี้ยท่านบอกว่าพึงรีบเร่งกระทําความดีและป้องกันจิตจากความชั่วเมื่อกระทําความดีช้าไปใจก็ยินดีกับความชั่วนั้นเนี่ยถามว่า บุคคลพึงรีบขวนขวายบางแห่งนะในความดีพึงห้ามจิตจักบาปหรือจากความชั่วเพราะเมื่อบุคคลทำความดีช้าไปหรือช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปอภิ תר เทะพึงรีบกระทาด่วนดวนด่วนดว น, ดวนในที่นั้นก็คือทําเร็วๆทําเร็วๆเวนี่ยนะด่วนดวนเร็วๆไวๆเนี่ยนะเพราะว่าถ้าใจเป็นกุศลแล้วอามาเป็นคนที่เสียหายตรงนี้มากในอดีตที่ผ่านมาเสียหายมากเวลากุศลเกิดขึ้นามาชอบพิจารณาว่าเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวค่อยทําวันนี้พรุ่งนี้แล้วบางอยาอ่างออกมาไม่ได้ทําจริงๆด้วยเนะึ่ยซึ่งออกมานึกว่าเป็นเรื่องดีไงว่าเ อ, อเห็นมันเป็นการออพิจารณาโดยแล้ว ย, ยังขี้เกียจยังไม่ค่อยไปเป็นแบบนี้บ่อยมากเลยอันนี้เป็นจุดเสียเสียออกมาแต่ก่อนเลยเนะียเป็นคนที่ไม่เร่งรีบในการเจริญกุศลคือปล่อยให้บาปมากุ้มรุมใครหลังแล้วเสียหายหมดเลยบางคราวเมื่อการนั้นผ่านไปเบรศเสร็จใจที่คิดอยากจะเจริญอยากจะบําเพ็ญกุศลนั้นไม่เดินจริงๆ ตรงนี้คือจุดจุดเสียงตัวเองเลยนะก็ยังนึกยืนโยมโยมดิว่านึกนึ ก, นกเออไม่คิดได้ว่าเวลาจะเจริญกุศลทำไมเร่งรีบจังแต่ก่อนนึกนึกโอ้เคยอ่านสูตรนี้ไหมไม่เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าการโดยโดยวินัยอะนะคะการ เจตนาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการที่เป่งวาจาแล้วถือว่าทานสําเร็จแล้วในวินัยค่ะในพระวินัยอยากจะทราบเรื่องนี้ค่ะว่ า, า ถ, ถือว่าทานเนี่ยได้สําเร็จแล้วในการทําทานเมื่อมีเจตนาและเป่งวาจาเจ้ค่ะแต่ว่าเป็นในวินัยเจ้าค่ะฮะตอนนี้ไม่ทราบว่ามีข้อรายละเอียดที่อธิบายเรื่องนี้ประการใดไหมเจ้าค่ะเพราะจริงๆเวลากล่าวตรงนี้บางทีไม่ต้องต้องไปดูที่ที่มานิดนึงเพราะถ้าพระทั พ, พบทุกทงนี้นะ แต่ว่าจริงๆเจตนาไอ้กรณีแห่งทานเนี่ยมีทั้งปุกพระเจตนาทั้งมีมูลจาและอพลาอพ布ะเจตนาใช่ไหมที่จริงถ้าถามว่ารกรณีแห่งทานการเปล่งวาจาในกรณีถ้าเรามองดูมันก็สําเร็จมันก็หลายอย่างจริงๆเลยนะถ้ามองมองมอ ง, มองสิ่งต่างๆตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วจิตที่คิดสารละแล้วให้เนี่ยมันสําเร็จได้นะใช่มันมั น, ม, นมันดนูน่าจะมีจริงๆกาลังนั่งคิดๆแล้วพอดีลำดับเล เออเป็นเรื่องที่น่าน่าเอาไปไปใคร่ควรแล้วก็ดูมุมต่างกันนิดนึงตรงเนี้ยนีตรงนี้คําว่าอภิ t เร r e า h เนี่ยเร่งทำเดินด่วนตรงนี้ก็คือว่าจับกระทํากุศลบางอย่างนี่นะในทานกุศลเป็นต้นเหล่านี้กรณีอย่างนี้นะว่าในเรื่องของพึงรีบเร่งกระทําความดีในที่เนี้ยถ้าดูก็คือตัวไหนตัวมหากุศลจิตุบาทตัวมหากุศลจิจุบาทก็ดีนะถ้ามองถึงในชั้นของกุศลเนี่ย <c oughs> ความดีในที่นี้ได้แก่มหาคตากุศลจิรุบาทแล้วก็มหาคตะเออไม่ใช่ม ห, า, มหาคุศลจิรุบาทมหาคตะกุกศลจิรุบาทก็มรคุศลจิรุบาทนนโลกุตระคุศลจิรุบาทที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นความดีทั้งหลายเนี่ยแคนั้นในด้านของทานก็ดีศีลภาวนาเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้นะลักษณะอย่างนี้ท่านจัดว่าเป็นเป็นความดีเนี่ยนะเดี๋ยวท่านจะไปแยกแยะร า, ายละเอียดส่วนคําว่าปาปาจิตตังนิวารเยพึงห้าม หรือป้องการจิตจากความชั่วจิตุบาทตี่นะที่เกิดขึ้นนะ่ยท่านหมายความว่าให้หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงจิตที่จะหลีกเลี่ยงจากทุจริตทั้งกายทุจริต3ามวิจิทุจริตสนะั้นะเป็นหน้าที่ของเวรตีเป็นตัวตัดรอนตัดรอนเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าลักและก็บุพเพผิดในการมเวราเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จจ่อเสียดคำหยาบและเพื่อเจอเริญเวรตีก็จะตัดรอนเวรเจตนาบาปเ ห, เหล่านั้น ตัดรอนบาปเหล่านั้นเนี่ยทีนี้ในลักษณะคําว่ากายานีเนี่ยเขาแปลว่าความดีความดีก็คือกายสุจริตสาวจีสุจริตสีเป็นต้นน่ะเนี่ยแล้วก็ทางด้านจิตใจก็เป็นด้านของมโนสุจริตกายวาจาใจมหากุศลจิตบาตรทั้งหมดที่ทําให้จิตที่ทําให้จิตเกิดความผ่องแผ้วเนี่ยเป็นกุศลแต่ถ้าอกุศลและจิตตัวบาตทั้งหมดที่ทําให้จิตเศร้าหมองตัณหาที่เป็นมูลเหตุของอกุศลธรรมทั้งหมด ลักษณะ ง, งั้นเขาเรียกบาปหรือปาป า, ปานเนี่ยเขาเรียกความชั่วท่านท่านฮิคารุคา ร, ะระโตปุญยังปาปัสมิงรามติมโนเนี่ยเมื่อกระทาความดีช้าไปาใจก็ยินดีในความชั่วเนี่ยอันนี้ท่านแสดงเหตุในการที่ให้รีบให้รีบเร่งกระทาความดีจิตของคนทั่วไปเนี่ยจะน้อมไปในความชั่วท่านก็บอกว่าเหมือนน้ําที่จะน้มไปสู่ที่ต่ำหรือไหลลงสู่ที่ต่ําเหมือนน้าไหลไปสู่ที่ต่ําทีนี้ถ้ามาแยกแยกในชั้นของคําสอนก่อน ถ้าในชั้นของคําสอนท่านจะมาแยกเป็นอัสสาธาอาทีและวานิสระนะแล้วก็ผลแล้วก็อุบายสรุปลงอริยสัจสี่ในชั้นของคําสอนตรงนี้ทีนี้เราก็มามาดูรายละเอียดของชั้นของกุศลหรือชั้นของบาปทั้งหลายเหล่าเนี้ยเนี้ยทุกขสัจจะคืออะไรก่อนดูส่วนตรงนี้ดูแล้วก็มาแยกรายละเอียดความทุกขสัจจะคือมหากุศลจิต บ, บา ท, ที่เกิดขึ้นในขณะทําความดีและหลีกเลี่ยงเกิดความชั่ว ถามว่าโทุกตัวมหากุศลจิตุบาทที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะทําความดีทางกายทางวาจาและใจทั้งหลายเหล่านี้ถามว่าจัดเข้าในอุปาทานขันทั้งห้านั่นเองเพราะในขณะที่มหากุศลจิตุบาทเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในนั้นเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขั น, ขนวิญญาณขันนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับรูปขันเป็นไปอยู่เห็นไหมเกี่ยวข้องกับรูปขันเป็นไปอยู่นั่นแหละเขาเรียคอุปาทานขันห้าทั้งหลายเหล่านี้ที่กำลังกําจัดบาปกําจัดความชั่วไม่ให้ความชั่วทั้งหลายไหลเข้ามาสู่กระแสของ ของนามาทำเหล่านั้นอันนั้นนเป็นทุกขสัจจะนี่ทุกขสัจจะที่เกี่ยวเนื่องกับปาทานกันตัดไว้โดยดําหล่าว่าพิททเลธากะรยาณีรีบเร่งกระทาความดีป่าปาจิตตังนิวระเยพึงป้องกันจิตจากความชั่วก็หมายถึงว่าอะไรสมุทยสัจจะเหตุของโทษหมายถึงกายทุจริตวจีทุจริตหรืออกุศลจิตุบาทสรุปก็ในที่นี้ท่านหมยหรือตันหาที่ตัดไว้คํา ว, ว่าปาปาคือความชั่วเห็นไหมท่านก็จัดลงสู่สมุทยสัจจะไป ก็คือจริงๆตัวเขาคือตัวไหนคือตัวตันหานั่นแหละตันหาเป็นสมุทรยสัสจักระแท้ส่วนอกุศลทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเหตุสามัญไปที่เกิดร่อมกับตันหาอยู่ในข่ายของทุกขอยู่ในข่ายของทุกขด้วยนีโรยถ้าสัจจะความจริงก็คือสภาพที่ดับจากวัฏจทุกเนี่ยดับทุกขสัจจะและสมุทรยสัสจักระในขณะบรรลุนิพพานนั้นตัดโดยปริยายโดยอ้อมตัดไว้โดยอ้อมไม่ได้โดยตรงมรรคสัจจะนั้นนะหมายความจริงคือทางดับทุกนะหมายถึงอริยมรรคมีองค์แ ก็หมายถึงผู้ที่กําลังกระทําความดีเพื่อหลีกเลี่ยงจากความชั่วที่กําลังประพฤติอยู่นั้นมาจากคาศัพท์ว่ากัลยาเนคือความดีมาจากศัพท์นั้นแหละทีนี้ทํามาแยกออกเป็นอัดทั้ง6ประการเนี่ยนะอัดสาทะคือสภาพที่ทําให้เหล่าสัตว์ยินดีคือตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นในขณะที่สัตว์นั้นประกอบทุจริตกายทุจริต3เนี่ยตัณหาที่เป็นเหตุให้สัตว์นั้นล่าเริงยินดีในการทําความชั่ว ทางกายกรรมนะที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตวจีกรรมก็คือพูดทด ส, สอบเสียดคำหยาบและเพือเจอ้อหรืออกุศลจิรุบาทที่ตรัสไว้โดยดำหลักว่าปาป า, ปาคือความชั่วนี่แหละสัตว์ทั้งหลายที่มีล่าเริงยินดีและเพลิดเพลินเหมือนแมลงเหมือนสัตว์ทั้งหลายที่กําลังทําชั่วทั้งหลายเ่าเนี่ยนะที่ประกอบประกอบความชั่วด้วยความลุ่มหลง ม, วมัวเมาและยินดีในความชั่วเพราะไม่เห็นผลของบาปทั้งหลายเราไม่เข้าใจผลของบาปทั้งหลายอันนั้นก็ ตรัดไว้ในฐานะเป็นอสาธาไปอธีนวาวะคือสังขารสังขารคือรูปอาการเวทนาสัญญาสังขา ร, ขารยุ่งยากแต่ในที่นี้หมายเอาตัวกุศลจิตรวบาทที่ตรัสไว้เดินตำลัดว่าพิทเลสะกะริยานีเลบลิงก์การทำเล็บลิงรีบเล่งการทาความดีด้วยและปาปาจิตตังนิวะรเยก็ป้อง ก, กันจิตจากความชั่วเนี่ยนิสรณะฐะนี่ก็หมายถึงเหตุความสัมพันธ์ทุกอันได้แก่อริยมร์นี่เอาโพธิปักกจยธรรมนะ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การไข้ควรในด้านของกายานุปัสนาเวทนาเป็นต้นเลยเนี่ยนะี่นี่หมายความจิตของผู้กระทําความดีหลีกเลี่ยงจากความชั่วก็หมายถึงความว่านิตรัดโดยปริยายเป็นป ป, ปะภาคเหมือนการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้นเนี่ยตัดในฐานะเป็นนิสสนะที่ไหนฐานะเป็นเหตุผลในที่ไหนก็หมายความเมือ่อให้ใจไม่ยินดีในความชั่วเพราะพระดํารัสที่บอกว่าทันทั น, ทนหิคารโตปุญอย่างปาปัสสมิงระมติ เพราะเมื่อทําความดีช้าใจก็ย่อมยินดีในความชั่วนี้นะตรงนี้แปลว่าจุดมุ่งหมายและเป็นจุดมุ่งหมายว่าทําไมจึงรีบเร่งความทําความดีทําไมต้องรีบเร่งทําความดีเพราะกลุม่มนเพราะคล้อยตามพระดำํำรัสของพระบรมศาสดาบอกว่าถ้าเราทําความดีวันนี้ช้าไปเดี๋ยวใจเราเนี่ยใจสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะไปยินดีกับความชั่วเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความชั่วเป็นตัวแวดล้อมอยู่เนึองนิดอยู่แล้ว ฉะนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอที่เราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายว่าเมื่อความดีเกิดขึ้นจะต้องเร่งรีบทําแล้วก็จะทําให้ต่อเนื่องจะทําให้รีบรีบเร็วๆไวๆและด่วนๆไม่ลีลลออ ๆ, ๆใช่ไหมถ้าเขาจะฟังทากันเก้าโมงก็มาแปดโมงคึอย่างนี้ดีไหม <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้กเเลยรีบรีบรีงเร่งเร็วๆไวๆนะยอมพิจญาต้องพรุ่งนี้เตืนที่สี่นะ <c oughs> ได้บทนี้ไปแล้วนะอุปายะนี่นก็คืออุบายเนี่ย น, นะเหตให้บรรลุอรอยิยมรรคก็หมายถึงว่าเหตุที่จะน้อมใจนั่นเองจะทำความดีและหลีกเลี่ยงจากความชั่วได้แก่อะไรดีอะไรที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นใช่การพิจารณาลมด้วยปัญญาคือโยนิโสแมะสิการการคบสัตว์บุรุษเป็นต้นใช่ก็คือข้อมูลทั้งหลาย คำสอนทั้งหลายที่จะเป็นประเด็นเป็นข้อปฏิบัติในการที่ทำให้สัตว์นั้นนะ่ะเข้าถึงความจริงเป็นต้นเราเนียเนะอันนั้นเป็นต้นนะเพราะอันนี้เป็นเหตุใกล้ชิดของตัวตัวกุศลธรรมทั้งหลายหรือกุศลจิโมบาทอันนี้สรุปประเด็นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะแยกแยะรายละเอียดมากกว่านี้นะส่วนการชักชวนนี่พระเจ้าการชักชวนเนี่ยพระเจ้าชักชวนบอกว่ า, วาการชักชวนให้กระทำความดีหลีกเลี่ยงจากความชั่วซึ่งเป็นใจความของ พระคาถานี้ที่ใช้คําว่าอภิเทเรตถากรยานีเนะ่ยพึงรีบเร่งกระทาความดีและก็ปาปาจิตตังนิวรเย ป, ป้องกันจิตจากบาปจากความชั่วเนี่ยอันนี้เป็นการชักชวนที่จริงบางท่านท่านไม่ใช้คําว่าชักชวนก็คือบอกเลยนะบอกเลยว่าจงทําเลยะจงทําความดีตั้งมามาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ชอบศัพท์ว่าเออมาทําความดีกันนะบอกจงทำความดีเป็นคําบอกเลยนะเป็นคําบอกว่าจงทํา จงทความดีจงเร่งรีบทำความดีคำว่าจงเนี่ยนะก็แปลว่าเป็นข้อบอกสั่งให้ปฏิบัติเลยสั่งให้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะปลอดภัยใช่ไหมพรเจ้าเป็นผู้เห็นทางเห็นทาง ว, าว่าถ้าไปทางนี้มันยกพลผิดเป็นวิชาที่ถี่แล้วมันเคลื่อนพลผิดแล้วยกพลผิดและจะวิบัติแล้วจะออกนอกทางแล้วไปนี้จะไปถูกเขาฆ่าแล้วถูกเขาประหารแล้วนะมาทางนี้ มาทางนี้จงเลยมาทางนี้รีบมาด้วยนะทางนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก่อนยังไม่มาหรอกยังไม่ถึงล็อกยังเหลืออีกนานให้รีบมาทางนี้เข้าใจพุทธประสงค์ตรงนี้ไหมเนี่ยอภิรธาเรตถากาิยานึงจงเร่งรีบทําการที่กล่าวว่าจงเร่งรีบทำะนะฮะโยมก็จะเป็นคาถามที่ถามทั่วๆไปเลยว่าสมมติจากสิ่งที่ไม่ค่อย เคยคุณเคยทำนะค ะ, ะคนจะถนัดว่าจงเร่งรีบทำหรือว่าถนัดต่อการที่จะเอาปัญญาเข้ามาคิดก่อนแล้วค่อยทํายี่พอถ้าปัญญาบางทีเกิดชักช้านักเนี่ยมันก็เลยความเปรตใจก็มีนะคะปัญญาทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะยว่าตรงนี้เนี่ยคำว่าจงเร่งรีบทำนี่มาไม่ได้กล่าวที่จะจะค้านตรงนี้นะคะจะกล่าวถึง อัธยาศัยของบุคคลเนี่ยบางครั้งว่าจงเร่งรีบทำหรือว่าบางคนก็ถ้าใช้ตรงนี้เนี่ยโยมนึกถึงปาติโมคสังวร น, นะเจ้าคะคือการเชื่อพระพุทธองค์จงเร่งรีบทำเลยอย่าเพิ่งไปคิดมากแล้วเสร็จแล้วยังไม่มีปัญญาตามหลังยังไม่เป็นไรแล้วตอนหลังค่อยมาเอาปัญญาตามเจ้าคะ่ะอ๋อคือตรงนี้ด้วยนะคําว่าตรงนี้แปลว่าเมื่ อ, อยังอย่างกรณีอย่างนี้ก็คือต้องแยกประเด็นประเด็นก็คือถ้าในชั้นของ ในเอกานิบาต ท, ท่านบอกว่าถ้ามันยังไม่รู้เรื่องอะไรให้นอนหลับไปก่อนนั้นก็อีกอย่างนึงก็เราะมันยังไม่รู้อ่ะเพราะว่าถ้ามันถ้าไปเพี้ยนผิดเนี่ยมันจะเป็นโทษมากกว่าใช่ไหไอ้ตรงนั้นก็อีกอย่าง การทำกุศลเนี่ยมันมีทั้งมหากุศลยานนะสัมปจนเกิยานวิปยุตธนะะด้วยการเชื่อเหมือนกับการที่อย่างอย่างพระนะะที่มีปาฏิโมขสังวรจะแบ่งเป็นจาริตศีลกับวาริตศีลด้วยความราศรัทธาในพระพุทธองค์เรานึกถึงเรื่องราวอันนี้นะคะแล้วก็น้อมใจเลยทาทันทีแต่บางทีความที่ว่าบางบางคนเนี่ยถ้ามาพิจารณา มากคือด้วยความยังไม่เข้าคล่องไม่ทันเนี่ยอย่าไปกังวลว่ายังเป็นญาณนะวิปยศทําไปก่อนแล้วเสร็จแล้วมาอปรปรยเจตนาทีหลังจะเป็นวิธีที่แก้ไขได้อย่างมากเจ้าค่ะคือคือที่โยมจะกล่าวคือในลักษณะตรงนี้ค่ะว่าเหมือนกับเราเชื่อผู้ใหญ่เชื่อพ่อแม่สิ่งนี้ดีนะทํานะอะไรอย่างนี้นะเราอย่าไม่เข้าคล้องต่อการที่จะใช้ปัญญาประกอบพร้อมทันทีเลยเพราะบางคนใช้ ต่างๆคิดไปมากด้วยความยังไม่ไม่แค่คล่องเดี๋ยวก็เกิดจะล่า ก, การทําได้เพราะฉะนั้นอยากกั ง, งวลว่าทุกครั้งต้องเป็นญานสัมปยุตสามารถมาให้เกิดยาณสัมปยุตในภายหลังได้ช่ค <c oughs> อ๋อคือถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นแล้วก็ <c oughs> ก, ก็เดินกุศลต่อนีก็หมายความบอกว่าถ้ากิจกรรมนั้นมันมีแค่ขณะเดียวถ้าเราไม่ทําเสียจะเสียโอกาสนะจะเสียโอกาสกุศลไปและเมื่อสิ่งเหล่านั้นผ่านไปแล้วเหตุการณ์